ภูส่วิปากกจิตเจ็หนึ่งถึงหจากขู่ถึงกายวิญญาณจิตสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นไฉนจะขูวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบขามีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นและถึงโสตะวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบขามีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้นพานาวิญญาณที่เป็นวิบากสหระคตด้วยโอเบคามีกลิ่นเป็นอารมณ์เกิดขึ้น ชิวหาวิญญาณที่เป็นวิบากเสาะรคด้วยอุเบกขามีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกายวิญญาณที่เป็นวิบาสกสาะรคด้วยทุกมีผลพาะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมอกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัอยอายตนะที่หกจึงมี เพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภบเป็นปัจจัยชาจึงมีเพราะชาเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้เนี้การเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้บรรดาปัจจาัการเหล่านั้นสังขารเป็นฉไฉไความจงใจยุริยาที่จงใจภาวะที่จงใจ นี้เรียกว่าสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นไฉนจิตมโนโ ну มานัตกายวิญญาณธาที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยภาษะจึงมีเพราะภาษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นไฉนความไม่สําราญทางกายความทุกข์ทางกาย ความสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสยิริยาสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยพบจึงมีเป็นไฉนเว้นเวทนาแล้วสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า กองทุกทั้งมวนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้6สัมปฏิชนะจิตสภาวะธรรมที่เป็นอภยกฤิตเป็นไฉนมโนธาที่เป็นวิบากสหาะหรโคดด้วยโอเบคามีรูปเป็นอารมณ์มีโพธะภาพเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมอคุโสรกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นเพราะสำคัญเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเป็ tracks, นปัจจัยนามจึงมีเพราะ Richard, นามเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมีเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี กองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้บรรดาปัจจาัการเหล่านั้นสังขารเป็นไฉนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาจึงมีเป็นไฉนจิตมโนมานั์มโนท่าที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาจึงมีละถึง นี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นไนความสําราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สําราญทางใจก็ไม่ใช่ความสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเป็นไฉ น, นความตัดสินอารมณ์กิริยาที่ตัดสินอารมณ์ภาวะที่จิตตัดสินอารมณ์นั้นนี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีเป็นไฉนเว้นอธิโมกแล้วเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี้เรียกว่าเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมี เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เจอุเบกขาสันติรณะจิตสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นไฉนมนโนวิญ ญ, ญาณธาตุที่เป็นวิบากสหรโครด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือประารุอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมอกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้น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 กองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้บรรดาปัจจยาการเหล่านั้นสังขารเป็นไนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นไนจิตมโนโมานต์มโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อเหตุกกะกิริยาจิตสามสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิเป็นไฉนมโนท่าที่เป็นกริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรม สหรูปด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์หรือมีโพธภาพเป็นอารมณ์เกิดขึ้นมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมสหรคตด้วยสมนัตมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมสหรคตด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์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 เพราะพบเป็นปัจจัยชาเจึงมีเพราะชาเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้กรมวจรกิริยาจิตแปสภาวธรรมที่เป็นอภิญักตเป็นชนมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมสหร o r โค ด, ด้วยสมณัติัมปยุทธ์ด้วยญาณละถึง สหรกรดด้วยสมณัต <LO> so ิสัมปยุทธ์ด้วยญาณโดยมีเหตุชักจูงสหรครด้วยสมณัติวิปยุทธ์จากญาณสหรคตด้วยสมณัติวิปยุทธ์จากญาณโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุทธ์ด้วยญาณเกิดขึ้นสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุทธ์ด้วยญาณโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุทธ์จากญาณ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 เพราะเวทนาเป็นปัจจัยภาษาทาจึงมีเพราะภาษาทาเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีก่องทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้รูปาวจรคิริยาจิตสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤเป็นไฉ ขี่นาศเจริญรูปาวจรฌานที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากของกรรมแต่เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสังอาจจากกรรมบรรลุปฐมฌานที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมี เพราะอายตนะที่หเป็นปัจจใจภาษาจึงมีเพราะภาษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจใจภาษาทะจึงมีเพราะภาษาทะเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจจใจพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตเป็นไนพระขีณาศพเจริญอรุบาวจรฌานที่เป็นกริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมแต่เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะก้าวล่วงอาคินจัญ ญ, ญายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเจตุทชฌานที่สหรกตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะลาสุขแระทุกข์ได้อยู่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 เพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อัพยากตะนิเทศจบสิบสอง กวิชามูลกะกุสลนิเทศกามาวจรกุศลจิตแปมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉนะจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหระรโค ด, ด้วยสมณะสัมปยุทธ์ด้วยญาณมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี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 เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้บรรดาปัจจยาการเหล่านั้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นไฉไความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีละถึงนี้เรียกว่าเพราะอายัยตนะที่หกเป็นปัจจัยภาษะจึงมี เพราะปัจจะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นไนความสําราญทางใจความสุขทางใจความสวยอารมณ์ที่สรรําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่สรรําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะปัจจะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภาษาทะจึงมีเป็นไงศรัทธาความเชื่อคิริยาที่ปร่งใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่งนี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็น ป, จปัจจัยภาษาทะจึงมีเพระาะภาษาทะเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเป็นไฉไความตัดสินอารมณ์ยุริยาที่ตัดสินอารมณ์ภาวะที่จิตตัดสินอารมณ์นั้นนี้เรียกว่าเพระาะภาษาทะเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีเป็นไฉน เว้นอธิมโมกแล้วเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี้เรียกว่าเพราะอาธิมโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพราะอาธิมโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ในสมัยนั้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี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 กองทุกทั้งมวล น, นี้เนการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ในสมัยนั้นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมีเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยภาษะจึงมีเพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภาษาทะจึงมี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 กองทุก ท, peso, slopes, ini, ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ body, ้นด้วยอาการอย่างนี body, ้มหากุศลจิตดวงที่สองถึง8สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉนจิตที่เป็นกลามวิจารซึ่งเป็นกุศลสหรโคตด้วยสมนัตสัมปยุทธ์ด้วยญาณโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยสมนัตวิปยุทธ์จากญาณสถรคตด้วยสมนัตวิปยุทธ์จากญาณโดยมีเหตุชักจูงสหรโคตด้วยอุเบกขา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 เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้รูปประวจรกุศลสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนยโยคะวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบ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 เพราะเวทนาเป็นปัจจัยภาษาทะจึงมีเพราะภาษาทะเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเพราะอาิโมกเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาจึงมีเพราะชาเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อรูปาวจรกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไง โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายาณะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเจตุธฌานที่สหรคตรด้วยเนวสัญญานาสัญญายาณะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี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 เพราะชาเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้โลกุตระกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชะไหนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงังจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใด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 เพราะอธิโมกเป็นปัจจใจพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อวิชามูล ก, กะกุศลานิเทศจบ สิกุศลมูลกะวิปากะนิเทศอเอเฮตุกะกุศลวิปากจิตหนึ่งจากขวิญญาณจิตสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิเป็นไฉ่จากขวิญญาณที่เป็นวิบากสหร ค, รคโตอุเบขามีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมกรรมวจรกุศลลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นเพราะกุศลลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมี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 กองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้บรรดาปัจจัยาการเหล่านั้นเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นไฉนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมวล น, นี้มีกางเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ 8. สองถึงแปสัตวิญญาณ ถึงอุเบกขาสันติรณจิตสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิเป็นไฉนโซตะวิญญาณที่เป็นวิบากสะหรคตด้วยอุเบกขามีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้นคาณวิญญาณที่เป็นวิบากสะหรคตด้วยอุเบกขามีกลิ่นเป็นอารมณ์เกิดขึ้นคิวหาวิญญาณที่เป็นวิบากสหอรคตด้วยอุเบกขามีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกายะวิญญาณที่เป็นวิบากสหอรคตด้วยสุข มีโพธะพระเป็นอารมณ์เกิดขึ้นมโนธาที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์หรือมีโพธะพระเป็นอารมณ์มโนวิญญาณธาที่เป็นวิบากสหรคตด้วยสมนัตมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นมโนวิญญาณธาที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์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 มัมวจรนวิปลากระจิตแดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤะตเป็นไฉนมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากสหรอโคด้วยโสมนัสสำปรยุทธ์ด้วยญาณเกิดขึ้นสหรอโคด้วยโสมนัสสำปรยุทธ์ด้วยญาณโดยมีเหตุชักจูงสหรอโคด้วยโสมนัสวิปยุทธ์จากญาณสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุทธ์จากญาณโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยโอเบคาสำปรยุทธ์ด้วยญาณ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 เพราะชาเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้รูปราวจรวิปากขิตสภาวะธรรมที่เป็นอภยกฤตเป็นไฉนะโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงังจาจ ก, กามบรรลุปถมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้น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 อายตนะที่หกจึงมีเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภาษาธะจึงมีเพราะภาษาทะเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจใจภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัชยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกลองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นโดยอาการอย่างนี้ อรูปาวจรวิปากจิตสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤะเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญมากเพื่อเข้าถึงอรูปภ พ, พเพราะก้าวล่วงอากกินจัญญาญาณะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเจตุถชานที่สหรโรโครด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะล่าสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอาวิเคปะก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรปุคลเพราะกลาวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงเพราะละสุขและทุกข์ได้จึงบรรลุจจตุทะฌานที่สหรโคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาซึ่งเป็นวิปากเพราะได้ทำได้สังสมอรูปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมี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 บรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกรามบรรลุปฐมฌานที่เป็นสุญญาตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาซึ่งเป็นวิปากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลคุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใด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 สิอกุชลมูลกะวิปากนิเทศอกุศลวิปากจิตเจ็ดหนึ่งจะคุวิญญาณจิตสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตเป็นไฉนะจกขุวิญญาณที่เป็นวิบากสหรโครดูโอเบกขามีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมอกุศนกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นเพราะอากุศนลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมี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 กองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้บรรดาปัจจยาการเหล่านั้นเพราะอากุศลโมห์เป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นไฉไความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าเพราะอากุศลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้สองถึง6 โสตะวิญญาณถึงสัมปติชนะจิตสภาวะธรรมที่เป e. ็นอ kind of ัพยากฤิเป็นไฉโสตะวิญญาณที่เป็นวิบากสหอรคดด้วยอุเบคามีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้นคณะวิญญาณที่เป็นวิบากสหอรคดด้วยอุเบขามีกลิ่นเป็นอารมณ์เกิดขึ้นชิวหาวิญญาณที่เป็นวิบากสหอรคดด้วยอุเบคามีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกายวิญญาณที่เป็นวิบากสหอรคตด้วยทุก มีโพธะภะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นมโนท่าที่เป็นวิบากสหรพดดอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์มีโพธะภะเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สังสมอกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นเพราะอกุศสมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมี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 นี war, s <S ้เร huh? ียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีเป็นไฉนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอิจตนะที่หกจึงมีเป็นไฉนิจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่า เพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมีเพราะอายตนะที่หเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเป็นไนความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นไนความสาราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สำราญทางใจก็ไม่ใช่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 เพราะอธิโมกเป็นปัจจัยภพจึงมีเป็นไฉนเว้นอธิโมกแล้วเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี้เรียกว่าเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาจึงมีเป็นไฉนความเกิดความเกิดพร้อมความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งสภาวะธรรมนั้นๆ น, น, นี้เรียกว่า เพราะพบเป็นปัจจัยชาจึงมีเพราะชาเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีเป็นไฉไ ช, นะชาราหนึ่งมรณะหนึ่งในชาราและมรณะนั้นชาราเป็นไฉไความแกคมคค่ความเครื่ำคร่าความเสื่อมอายุแห่งสภาวะธรรมนั้นๆ น, น, นี้เรียกว่าชารามรณะเป็นไฉไความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกความแตกสลายความไม่เที่ยง ความหายไปแห่งสภาวธรรมนั้น น, น, นี้เรียกว่ามรณะชราและมรณะดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่าพระชาเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีคาว่ากองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ได้แก่กองทุกทั้งมวล น, นี้ไปร่วมมาร่วมประชุมร่วมปรากฏขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า องทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นโดยอาการอย่างนี้อกุศลมูลกะวิปากนิเทศจบอภิธรรมพาชนีจบปฏิจตสมุ ป, ปาทาวิพังจบ